ทั้งนี้เป็นนักวัและฆราวาสเจ้าโจมมาที่เปดโมฆขอนเกล็นก็ได้ทำวิธีอันที่เป็นรูปธรรมแม่เป็นคําสอนที่เป็นคําพูดเป็นตัวหนังสือเอามาแสดงอามากระทำให้เกิดขึ้นมันก็ยังมีอยู่เราได้สัมผัสกับคําสอน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 สองเดือนเราจะรู้เพณเดือนหกวางแผนอยู่เดือนเกตันเพณเดือนเจึงออกจากศรีมหาโพธิ์เวลาเดินทางอยู่หนึ่งเดือนมาถึงวันเพณเดือนแปดที่อิศิปัจนะมนลึกะายวันจากพุตขยามาถึงพาราจี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 รวมหลงไม่ใช่ทางเห็นกายในภาคพิเศดีก็มีมากเรียกว่าธรรมจักกะปวัตตนสูตรอนัตตาลัคนาสูต ร, ตลตรแล้วก็ป้อยอริสัจีสออาการที่สอนปั่จาบุคีเห็นกายจนเห็นว่ากายสภาวะกาย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 ไม่อยากคิดมันก็คิดก็มีความคิดเนี่ยไม่รู้จากการไม่รู้จักกาลเัติศาคิดได้ทุกแง่ทุกมุมปาเถื่อนบางครั้งสมสอนคนคิดเนี่ยมาเห็นมันอยู่ดีๆกันเลยที่จะอยู่มันคิดขึ้นมาไปแล้วออกไปแล้วปั๊บไม่รู้ออกนังไงเข้าไง ไม่รู้ทันไปซะแล้วสิ่งใดเกิดจากความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดได้เป็นจิตเดตปัหาพวมคิดได้หลงมันหลอกแล้วหลอกอีกหลงในความคิดแล้วหลงในความคิดอีกพอมันคิดทีไรก็รู้ทึกตัวนี่คือภาคปฏิบัติไม่ใช่ไปตามความคิดหาคงตอบจากความคิด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 รู้จักตัวทมความรู้เรื่อยไปหลักเราก็ไม่อยู่กลับมาเคลื่อนไหวเรื่อยไปเราเดินย่กมก็เดินย่อมกรมเรื่อยไปถ้าจช้หยุดไม่ได้เลยเลยจนเข้าไปเป็นกับมันนั่งน้าเหงานั่งงอน้างปดนัดน่งเบิ่งถึงเครียดตอซึมตอซื้อไปถามดูเป็นไงหนู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 เป็นอจุลกายก็ไปเป็นจาระลกก็ไปนคิดกันมาแล้วนอนไม่หลับทุกน้ำตาไหลเพราะความคิดตัวเองโกรธเพราะควคิดตัวเองรับใช้มันเป็นพบเป็นชาติเป็นพบภูมินับไม่้วนเกิดดับเกิดดับเนี่ยชินพพชินชาติ ต, ตรงไหนไปนิพพานตั้งแต่ที่แรกเลย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 นั่นก็เป็นสูตรตรที่การศึกษาโต้ตอบกับไรจำได้ไม่ใช่พบเห็นคิดได้จำได้ไม่ใช่รู้จำแบบนั้นเป็นการรู้แจ้งศาสนาทำเป็นการรู้แจ้งตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าตัวไขตัวมันไม่ใช่ของแหม่งปันถ้าเกิดความหลงตองละให้เป็นความรู้ หลงที่ได้รู้ทุกที่ mm. ได้รู้เข้าไปเลยเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่ใช่ควมทุกข์กลายเป็นมัญจาควมทุกข์กลายเป็นนิพพานได้จริงจริงๆก็ถึงป่านนั่นแต่ก่อนความท nah. ุกข์เป็นความทุกข์ฝึกไปฝึกไปความทุกข์เป็นนิพพานเลยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควาไม่เที่ยงเป็นนิพพานได้เลย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 นิพพานอยู่ในข้าวนิพพานอยู่ในเรื่มดุร้ายหมดพิษหมดสงฆ่างพยศดุสลายคนตายช่างหมดพย์กี่โคมันได้ม้าพย์ใช้เข้ารถหม้าเทียมรถไปได้มาหมดพยศแต่วาม่านิพพานแล้วใช้งานได้คนนิพพานคือคนไม่ตาย หมดพิษหมดภัยแจ่ตัวเองและคนอื่นปัญหาเรื่องกายเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องเวทนาเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องคิดชั่คิดเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องอารมณ์เป็นทุกข์ไม่เมนั่น ก, ก็เย็นไปมากมายแล้วทำไมจะไม่เรียกว่ากระเสไปเห็นโูกเห็นนามเขายิ่งเครี้ยงไปเลยไม่ต้องเรียกว่าสุขวาทุกข์เรียกว่าอาการได้เล ย, เลยสรุปลงมาได้เลยนั่นเป็นสูตรไปอย่างนี้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 ต้องใจสูงสูงเห็นมันจะไปเป็นอะไรกับอะไรง่ายเกินไปต้องมาฝึกทำไงเราจึงรลู้จึกตัวเรามีสิติโร้อยเจิเอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องจินเรื่องอะไรต่างๆก่อนเดือนทำให้เราแล้วที่หลับที่นอนไปหาได้ไปบอกเราเตียวไว้ให้เก็บแคดได้ป่วยบอกเรามีรถพาไปหาหมอ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 อย่ามั่วซั่วจิดเิงใดพูดจชิงใดมีสติสัมสัญญาให้รอบค้อบถ้าไม่มีใครบอกมันจะอยู่ยังไงไม่มีการทำเกิดอะไรขึ้นเรต้ององมงงเศร้าๆก็อยู่นี่ช่วยกันอยู่นี่ถ้าตัวรอดมก็ดีแ่้ไม่ต้องมานั่งอยู่นี่ไม่ต้องมาพูดอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้จะบอกินเนี่ยไม่มากขอใครจินก็ได้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 ก็ไม่เป็นไรอย่าให้มากเกินไปถ้าเป็นขนมมีอาหารมีน่าแจงคนจะเอามาให้ปลากินถ้าเป็นก้อนข้าวนิดหน่อยไม่เศษไม่มีซากปลามาคืนหมดบางทีก็น่าให้นะปลานะี่มันอ้าปากลอไว้ถึงเวลาเห็นไหนเดินไปสะพานนะมันทำเป็นตัวงอๆ อ, อ, อ, อ้าปากปลาดุก เออไอ้ น, นี่มันก็พู้เวลานะโยนข้าวมันก็ข้าเปล่าไม่เหลือใครหัดมันไม่รู้นะเป็นสำเนินภาคตะวันลอนนะสำเนินภาคตะวัลนลอนมาอยู่ก็ให้อาหารมันเพราะเราก็ไม่จำเป็นนะเจดอาหารอย่าไปคีลงน้ำถ้าปนก้นข้าวนิดหน่อยไม่เป็นไรจะกินเปลือมหนาเผื่อใไก่กันไปเห็น เอาแพะไก่เป็นฝุงๆแถวนะี้